บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติธรรมะทาหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นโ ด, นดยอะไรก็ตามแต่ผลที่ต้องการจริงๆก็คือต้องการจะป้องกัน แม่กิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นและต้องการจะขจัดปัดเปล่ากิเลส ท, ที่เกิดขึ้นแล้วให้ลดไปจนถึงก็หมดสิ้นไปในที่สุดในส่วนของกุศลธรรมนั้นก็คือการพยายามเพิ่มปูนส่วนแห่งความดีที่ยังให้มีให้มีเพิ่มขึ้นโดยลำดับและส่วนความดีต่างๆที่มีอยู่แล้วก็เปลี่ยนพยายามรักษาไวไ้แม้เสื่อม โดยการปฏิบัติในแนวนี้เมื่อถึงจุดหนึ่งความชั่วใหม่ก็ไม่เพิ่มขึ้นความชั่วเก่าก็ตูกลดไปความดีใหม่ก็เพิ่มขึ้นความดีเก่าก็คงจุบรรดาความชั่วเหล่านั้นก็จะหมดสิ้นไปในที่สุดอันเป็นผลมุ่งหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนาดังนั้นจะเห็นได้ว่าในพวกของสังวรระวาง คือสมรวมระวังนั้นอยู่ในเรื่องของศีลเป็นการพยายามป้องกันไม่ให้แรงของกิเลสล้นออกมาข้างนอกซึ่งก็หมายความว่ากิเลสนั้นมีอยู่แล้วภายในใจเรามีตัวกระตุ้นเกิดขึ้นจากข้างนอกเห็นเบเดได้เกิดความโลภความโกรธกิเลสล่านั้นมีความรุนแรงก็ออกมาข้างนอก อันนี้ทำปิดทางกายทางวาจาพระเจ้าก็ทรงสอนคำสอนระดับศีลเอาไว้เราเรียกว่าเป็นบทบัญญัติือข้อปฏิบัติที่จะต้องมีการศึกษาสมาทานสํารวมระวังเพื่อไม่ให้กิเลสมันล้นออกมาข้างนอกแต่ว่าถึงอีกชั้นหนึ่งเป็นพวกอินเซียสังวรคือการสํารวมระวังตาหูเป็นต้นนั้นสดงว่าเอาควจริงแล้วกิเลสในขณะนั้นยังไม่เกิด แต่จะเกิดขึ้นมาได้ถ้าขาดการสํารวจระวังในการกําหนดสิ่งที่เราเห็นได้ยินได้สุดลมได้ติ้มได้จับต้องในแง่ที่เราชอบหรือเราไม่ชอบถ้ากําหนดในแง่ที่เราชอบกิเลสสายโลภะก็วังเกิดขึ้นในแง่ที่เราไม่ชอบกิเลสสายโทสะก็วังเกิดขึ้น แ, แสดงว่าข้อปฏิบัติในชั้นนี้ก็คือป้องกันกิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นในชั้นแรก ป้องกันกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้แสดงอาการที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแต่มาถึงจุดหนึ่งนั้นเป็นการสอนในลักษณะควบคู่กันไปอย่างแนวหนึ่งที่เรียกว่าอายตนปะปภะคือหมวดที่ว่าด้วยอายตนะคำว่าอา ย, าอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นอายตนะภายใน และภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้อารมณ์ซึ่งเราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเป็นต้นโลกเราเป็นโลกของสัมผัสสิ่งจะดีหรือไม่ดีก็เกิดขึ้นมาจากทางนี้แม้ในเรื่องที่ทรงแสดงในสุดจุดสมบูรณ์ที่เรียกว่าพวกสมุทัยคือเหตุเกิดของกิเลสและพวกนิโรธก็คือความดับกิเลสก็ทรงแสดงในตรงนี้เอง แต่พึงถือว่าเป็นปริยายหนึ่งคือนัยะหนึ่งนิยะหนึ่งเพราะธรรมะกลุ่มนี้เราเรียกว่ามัคคัสส์คือกลุ่มเหมือนกถนนหน้นทางที่เราจะไปสู่สถานที่ใดที่หนึ่งก็แล้วแต่ใครจะไปโดยถนนสายใดจุดมุ่งหมายที่สำคัญก็คือถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่ถ้าถึงจุดหมายปลายทางก็ชื่อว่าทุกคนเดินทางมาถูกต้องเดียกันทั้งนั้น ธรรมะโดยปริยายต่างๆหรือนิยต์ต่างๆหรือวิธีต่างๆที่ทรงแสดงสั่งสอนไว้นั้นมีเป้าหมายเป็นอย่างเดียวกันคือเพื่อให้เกิดความรู้ยิ่งเกิดความรู้ดีเกิดความสงบระงับเกิดความดับกิเลส ท, ทั้งหลายตามกํบบาลังความสามารถของบุคคลที่จะปฏิบัติได้ในหมวดอายตนาปภะทึ่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานนั้น ได้สงสอนให้บุคคลมีสติคือความระลึกมีสัมปชัญญะคือความรู้และมีความเพียรพยายามที่จะรู้ถึงความจริงของสิ่งตนนั้นเห็นเมื่อตาเห็นรูปก็รู้ในส่วนของตารู้ในส่วนของรูปว่ารูปนั่นเองที่จริงก็เป็นส่วนประกอบของตินน้าลงไฟอากาศ ที่มากาะกลุ่มกันข้าวมีสัต์มีส่วนแล้วก็กลายเป็นรูปขึ้นมาดวงตาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของรูปก็มีส่วนประกอบเช่นเดียวกันแต่เราจะเห็นว่าในจุดนี้ถ้าหากว่าจิตไม่ไปเกี่ยวข้องอะไรแล้วก็ไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเพราะเขาเองเาก็เป็นกลางกลางเรียกว่าเป็นอัปยากะตะาตัดธรรม มีเป็นนั้นมากมีเรื่องราวต่างๆเป็นนั้นมากที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปโดยเราไม่ได้สนใจที่จริงเราก็เห็นแต่เราไม่ได้สนใจอะไรในจุดนั้นในขณะนั้นความรักความชังหรือแม้แต่ธรรมะมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นขั้นตอนที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจากการสนใจการใส่ใจดันั้นจึงทรงสอนให้รู้เรียกวิญญาณคือความรู้ รู้รูปเป็นต้นที่เกิดขึ้นทางตารู้เสียงที่เกิดขึ้นทางหูรู้กลิ่นที่เกิดขึ้นทางจมูกเป็นต้นกอยรู้ในตัวของวิญญาณวิญญาณในที่นี้ท่านเรียกว่าวิถีวิญญาณคือวิญญาณทางประสาทสัมผัสหรือบางทาง่านบางครั้งท่านก็เรียกว่าวิญญาณานักขัคือกลุ่มของวิญญาณหรือกองของวิญญาณที่ประกอบขึ้นเป็นชีวิตโดยเนื้อหาจริงๆก็คือจิต ของบุคคลที่ทําหน้าที่รู้อารมณ์ซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสเมื่ออาศัยสิ่ง2 3ประการนี้มารวมกันเกียรตนะภายในภายนอกก็กลายเป็นวิญญาณแล้วก็กลายเป็นสัมผัสคือการกระทบการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจนถึงกระทบทางใจในชั้นนี้ระดับหนึ่งก็สอนในสํารวมระวังดังที่กล่าวแล้ว หมายความว่าแม้จะได้เห็นได้ยินได้สุตุมได้ลิ้มได้จับต้องแต่ก็ให้มีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ทันต่ออารมณ์หล่อนั้นอย่าปล่อยใจให้เกิดกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงบวมเมาไปตามอารมณ์หล่อนั้นแต่ดังที่ได้กลามแล้วว่าการได้กำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงบวมเมาหรือแม้แต่จะเกิดธรรมะนั้นที่จริงก็อยู่ที่จิตเราซึ่งเป็นผู้รู้อารมณ์ในขณะนั้น พอเรามีปัญญาเกิดขึ้นคุ้มครองใจหรือว่ามีกิเลสเกิดขึ้นคุ้มครองใจในขณะที่สัมผัสกับอารมณ์ถ้าในขณะนั้นกิเลสจะเกิดขึ้นก่อนก็จะมีการกำหนดไปตามอำนาจของกิลเลสเ่านั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าธรรมะก็เกิดขึ้นเขากำหนดไปในแนวของธรรมะอารมณ์อย่างเดียวกันแต่ว่าเป็นการเห็นคนละขณะจักกันสภาพจิตเราไม่เหมือนกัน ในช่วงหนึ่งอาจจะเกิดกิเลสแต่อีกในขณะหนึ่งก็อาจจะเกิดธรรมะ ก, ก็ได้จึงสามารถสังเกตได้ด้วยความรู้สึกนึกคิดของเราเองที่ประสบอารมณ์หลนั้นแต่เฉพาะในชุดนี้ทรงสอนให้มองในแนวของกิเลสประเภทหนึ่งที่จริงมันอยู่ในภายในทรงใช้คำว่าสังโยชน์หมายความว่าเป็นกิเลสที่ผูกใจสัตว์อยู่ตามปกติแล้วก็สงบอยู่ภายใน การจะเกิดฟูขึ้นมาครุบมคุมใจนั้นก็จะมีอยู่สองแนวแนวหนึ่งก็คือการมีอารมณ์ข้างนอกมากระทบเช่นในเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วใจก็ไปกำหนดอารมณ์หอดนั้นสังโยชน์ซึ่งมีอยู่ภายในใจก็เกิดขึ้นตามการกำหนดของเราในแต่ละขณะ อีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของการเหนียวนึกการตึกนึกซึ่งว่าที่จริงก็เกี่ยวกับประสาทสัมผัสเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในข้อสุดท้ายที่เรียกว่าธรรมารมณ์หมายความว่าใจเราเป็นเหนียวนึกตึกนึกเอาในแนวนั้นกิเลสที่มีอยู่เป็นเชื้ออยู่ภายในใจก็ เ, เกิดขึ้นมาผสมก็ทําให้ความคิดเหล่านั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพอานี้ลองสังเกตในแง่ของธรรมาก็ตามในแง่ของกิเลสก็ตามเช่นว่า คนคนหนึ่งเรามีความรู้สึกต่อเขาในฐานะที่เป็นศัตรูบางครั้งเราไปเห็นเขาเขา้าไอ้กิเลสที่เก็บความรู้สึกเป็นศัตรูไว้ภายในมันก็เกิดขึ้นรุ่มรุมใจเราทําให้มีความรู้สึกไม่ชอบรู้สึกเครียดแค้นใจจะเหนียวนึกถึงส่วนที่ไม่ดีของเขาปริมาณของความโกรธความเครียดแค้นก็จะเพิ่มขึ้นแทนที่จะมองด้วยตาเฉยๆ กอาจะแสดงอาการกิริย า, ท, าท่าทางออกมา น, น้กษนะไม่พอใจหรือจะพูดออกมาในแนวที่ไม่พอใจหรืออาจจะนำไปสู่การทะเลาะวิวาทกันก็ได้เราขึ้นอยู่กับจิตในขนาดนั้นได้เดียวนึกสึกนึกในด้านเราไม่ชอบมากแค่ไหนเพียงไรหรือว่าเขามีการการะทาที่กระตุ้นให้ความไม่ชอบเพิ่มขึ้นมากเพียงไร กิเลสเหล่านี้จริงๆแล้วถ้าหากว่าเราไม่เหนียนนึกเขาเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นคล้ายๆก็เป็นตะกรอนอยู่ภายในท้ายก้นพาชนะแตกว่าพาชนะนั้นใหญ่ๆจนตุ่มใหญ่ๆก็มีตะกรอนอยู่ข้างล่างไม่มีใครไปเขยา่าหรือเขย่าแต่ไม่แรงตะกรอนเหล่านั้นก็คงอยู่ข้างล่างคือไม่ฟูขึ้นมาแต่ถ้าโดนเขยาเ่าแรงๆมันก็ฟูขึ้นมาได้ เราจะพบว่าอารมณ์บางอย่างหรือเรื่องราว บ, บางอย่างจะต้องมีการพยายามกระตุ้นเร่งร้าวเชิญชวนชักชวนโดวยวิธีการต่างๆหรือคมขู่ท้าทายสบประมาทดูถูกดูหมิน่นเป็นต้นกิเลสมันก็ค่อยเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้ น, นจุดหนึ่งมันก็ออกมาในความรุนแรงเพราะก็ทรงสอนให้ดูจิตในขณะนั้นในจุดนี้ให้มองเฉพาะส่วนของกิเลส จะเป็นการมองคล้ายๆกับแนวของการศึกษาเรื่องนิวรเพียงแต่ว่าให้มองดูว่าในขณนะนั้นสังโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่แน่นอนสังโยชน์ในการพูดก็ดีในการเขียนก็ดีก็ต้องเรียงลำดับเอาหลักการเรียงลำดับนั้นในกลุ่มสังโยชน์ทรงเรียงจากโมหะมาแล้วก็เรียงไปที่พวกราคะพวก โทสะแล้วก็กลับไปที่โมหะอีกทีหนึ่งคือเรียงในรูปคล้ายๆก็จะเป็นวงกลมโดยเอาความรุนแรงของกิเลสสองระดับหมายความกิเลสประเภทโมหะนั่นเองระดับหนึ่งก็ยาบหน่อยอีูระดับหนึ่งละเอียดไปซึ่งจําเป็นจะต้องใช้แรงกระแทกมากกิเลสประเภทนี้จึงจะเกิดขึ้นมาได้แต่ว่าการเกิดจริงๆเนี่ยมันไม่ได้กําหนดว่าเกิดอย่างนั้นก็แล้วแต่ว่า ในขณะนั้นจิตใจเราเป็นอย่างไรแทนที่จะเป็นโรคปวดหลงอาจจะเกิดโรค ก, ก่อนหรืออาจจะเกิดหลงก่อนหรืออาจจะเกิดกดก่อนก็แล้วแต่อารมณ์ที่เรากระทบในแต่ละขณะแต่การเรียนก็ดีการเรียบเรียงการพิมพ์การเขียนก็ดีก็ต้องเรียงตามลำดับเพราะมันเป็นสิ่งที่กินเนื้อที่แต่ว่าตัวนามรรมจริงๆมันไมไ่กินเนื้อที่มันเกิดตามพื้นฐานของเรา ที่มันเกิดมากๆเกิดต่อเนื่องเกิดยาวนานเกิดอยู่สม่ำเสมอก็กลายเป็นลักษณะนิสัยเป็นจริตอย่างที่ทราบครคนนี้นิสัยเป็นอย่างนั้นคนนี้นิสัยเป็นอย่างนี้คนนี้จริตอย่างนั้นจริตอย่างนี้ก็แสดงว่าพวกนี้มันก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เป็นอาการที่ปรากฏภายในจิตจนออกมาทางกายทางปรจ่าคนท้างนอกก็พวกผูเห็นก็สังเกตได้ก็กลายเป็นจริตนั้นๆ สังโยชน์นั้นทรงจาแนกว้ที่จริงหลายหมวดแต่ว่าหมวดที่เรานำมาพูดกันมากเป็นหมวดที่เรียงตามลำดับการละได้ของพระยะบุคคลที่ทาให้เป็นพระยะบุคคลในชั้นต่างๆก็เกิดขึ้นจากการละสังโยชน์เหล่านี้ได้ประการแรกเ็าเรียกว่าสักกายทิติสักกายติตินั้นคือความเห็นเป็นตัวตนหมายความว่ามีตัวมีตนจนกลายเป็นของตัวของตน ก่ให้เกิดเราเกิดเขาเกิดพวกเราพวกเขามีแบ่งพักแบ่งพวกกันด้วยประการต่างๆนั้นก็คืออาการอย่างหยาบที่เราเห็นได้เราพูดง่ายๆอีกอย่า ง, งหนึ่งก็คือเกิดอัตตาขึ้นมาเกิดรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาแต่ในส่วนมันก็มีการแบ่งพักแบ่งพวกกันอาการที่รุนแรงเช่นมีการ แบ่งแยกมีการท่าตีท่าต่อยมีการแบ่งเป็นชาตินั้นชาตินี้าศาสนานั้นศานานี้พวกนั้นพวกนี้ภาคนั้นภาคนี้ล้วเกิดขึ้นจากอาการตัวนี้เกิดขึ้นจากอากา ร, อ stream, ากอาการของสักการะยทิฐิโดยมีฐานเกิดมาจากเราก่อนคือรู้สึกว่าเป็นเราก่อนในความเป็นเราดังนั้นเองเราก็มีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องมันก็คืบคลานขึ้นไปเป็นพวกเราเป็นวงศาคณะญาติของเราเป็นเพื่อนก็เร า, เ ป, เ, ราเป็นพวกของเราก็ขยายไปเรื่อย ตามจิตใจที่ไปเกี่ยวเกาะสัมพันธ์กันลนักษณะเหล่านี้ถ้าหากว่ามันเป็นอาการของกิเลสประเภทโมหะเวลาเรย า, ยาปัญญาเราเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นมากๆนั้นจะพบ ว, ว่าไอ้ความเป็นเรากับความเป็นพวกเรานี่จะลดลงไปแต่ว่าจะมีความเป็นพวกเรานะเพิ่มขึ้นขยายไปเรื่อยๆก็ตามความคิดจนถึงกับ เป็นสเปสตาที่เรียกว่าสัตว์ทั้งหลายทาั้งปวงก็ถือว่าสัปปชีวิตนั้นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็แสดงว่าปริมาณปัญญานะั้นมันสูงขึ้นแล้วมองไม่เห็นว่าเป็นพวกเราหรือเป็นเรากับพวกเราเพียงอ่าเป็นเราเพียงอย่างเดียวหรือเขาเพียงอย่างเดียวแต่ที่จริงเขาก็คือพวกเดียวกับเราก็ระจายความคิดออกไปได้เรื่อย ในการพูดนั้นค่อนข้างแจะง่ายแต่ว่าในภาคปฏิบัติแล้วที่จริงก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นกิเลสประเภทที่กินได้ลึกเนื่องจากในส่วนลึกๆเียก็มีปัญหาอยู่ภายในใจตัวเองพราะอการขอักยญาติทิฐิที่ละเอียดขึ้นไปยิ่งกว่านั้นที่เป็นเหตุลึกๆอยู่ภายในเขาไม่อยูลึกๆอยู่ภายในนั้นอย่างที่เคยยกตัวอย่างในความว่ายังกระแสตัณหาที่ไหลไปในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ย ในส่วนลึกๆจริงๆเนี่ยมันมีทิฏฐิอยู่สองตัวก็คือแนวสกายทิฏฐินั่นแหละคือเห็นว่าตัวเองและสิ่งที่ตัวเองอยากได้หรือสถานะที่ตัวเองอยากเป็นหรือตำแหน่งชั้นยศที่ตัวเองเป็นอยู่เป็นของเชี่ยงไม่แปรผันไม่เปลี่ยนแปลงแต่ประการใดใคล้ายๆกับเราจะอยู่คำฟ้าตลอดไป มันจึงมีการข่อยความปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นกันไม่มีที่สิ้นสุดและในจุดนี้ถ้าหากว่าปัญญาเขาเกิดขึ้นมาเขาพิจารณาเห็นว่าตัวเราเองก็ไม่แท่งแท้แ น, น่นอนจะตายวันใดก็ไม่รู้ข้าวของเงินทองทั้งหลายที่รวบรวมได้มามากมายกายกองยังไงก็ตามในที่สุดก็ต้องทิ้งไว้ในโลกเป็นสมบัติของโลกที่เราขอบพาไปด้วยไม่ได้ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้เอง ปัญญานั่นเองจะวินิจฉัยตรงนี้และจัดการกันตรงนี้เอาของมา ก, มากๆเหล่านั้ น, นมาสลายเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆมาเป็นบุญกุศลต่างๆเพื่อจิติดตามเราไปได้จะสลายส่วนที่เป็นรูปวัตถุสมบัติของโลกให้เป็นสมบัติติดตัวเป็นการใช้ชีวิตในแนวไม่ประมาทเพราถือว่าความแตกดัาของชีวิตนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็รีบเร่งใช้ความเพียรพยายามสร้างความดีเอาไว้ เมื่อตายก็พร้อมที่จะตายแล้วก็ตายยังมีความดีติดตัวมีบุญบุ ญ, บญกุศลค้ำจุนสนับสนุนนั่นก็แสดงว่าไอความคิดที่ว่าเราเที่ยงแท้แน่นอนไม่แปรผันนั้นถูกทำลายไปได้วยปัญญาที่บังเกิดขึ้นแล้วกเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทางจิตเดียจะใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆได้มากก็มองว่าคนเราก็กินอยู่ก็เท่านั้นเองไม่ต้องใช้ไม่ต้องจ่ายอะไรมากมายนักล้วก็อยู่ได้แล้ว ว่าชีวิตในสังสารวัตนั้นเป็นช่วงยาวจำเป็นจะต้องมีปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆสถานในคำสอนพุทธเจ้าต่างๆเป็นต้นก็จะบังเกิดขึ้นก็จะรีบเร่งสะสมบุญกุศลหรือความดีเอาไว้นั้นได้จะเห็นลนักษณะสองอย่างคือาความสักยะยทิฏฐิ ท, ท, ท, ที่จริงก็มีแต่เพียงแต่ว่าลดลงไปลดลงไปก็ไม่ได้ถือว่าตัวเองนั้นเที่ยงแพ้แน่นอนยอมรับในแง่ของความตาย แล้จากจุดนี้มันก็คืบคลานไปสู่จุดที่มีการสวดสาธยายกันเกยพิจารณาเรื่องชีวิตที่มีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีการพลัดพรากเป็นปกติธรรมดาเพื่อบรรทอนความคิดที่เป็นสักกายทิจิคือความเห็นเป็นตัวเป็นตนแต่ในกรณีนี้เห็นมาตัวเที่ยงไปเลยทีตอนี้อีกอย่างหนึ่งว่า ส, ะสะตาัตตติจิเป็นความเห็นที่ซ้อนก็นอยู่สองตัวหมายความว่ามีตัวมี ต, มตนด้วย แล้วก็ตัวตัวนั้นเองไม่แปรผันไปเป็นอย่างอื่นไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเป็นของคงที่ตลอดไปทำนองคล้ายๆตัวเองจะอยู่คำฟัาสิ่งตัวนี้แม้จริงๆแล้วเราจะพบเห็นข่าวคราวเรื่องราวต่างๆเปน็นนมากเช่นการยื้อแย่งชั้นยศตำแหน่งอะไรกันตำแหน่งผู้นาของประเทศเป็นต้นเราก็เห็นภาพที่จริงก็ข่าวคราวนี้ก็มีแต่ว่าไป ตัดรอนบัณทรไ อ, อสักย ธ, ธิทิฐิที่มีอยู่ภายในไ ม, ไม่ได้หรือว่ามีกำลังไม่มา ก, ก่อเช่นสมมติ่ายุแย่งตำแหน่งผู้นำสูงสุดเป็นประธานาธิบดีกันคราวๆในแต่ละวันขณะที่ประเทศหนึ่งกำลังรณรงค์แข่งขันทุ่มเทลงไปเพื่อจะได้เป็นประธานาธิบดีนั้น อีกประเทศหนึ่งประธานาธิบดีตายไปอีกประเทศหนึ่งประธานาธิบดีกำลังหมดอายุอีกประเทศหนึ่งประธานาธิบดีกำลังถูกขับไล่จากประชาชนเป็นต้นก็มาแสดงให้เห็นว่าไม่เที่ยงแท้อยู่หลายประเทศไอ้คนที่วิ่งก็ไปคว้าก็วิ่งกันไปไอ้คนที่ประสบกับความเปลี่ยนแปลงก็ประสบความเปลี่ยนแปลงกันไปแต่ว่าคนเหล่านั้นไม่สามารถเป็นครูให้คนที่กำลังยื้แย่งกันได้อ่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าทิฏฐิ ที่มีอยู่ภายในใจนั้นมีกำลังแรงมากจนไม่สามารถที่จะลดละลงไปได้ในวิวัตวิวาตตัญหาก็มีลักษณะอย่างนั้นมันก็เกิดขึ้นมาจากความเห็นที่ว่าสิ่งตั้งหลายขาดสูญจึงต้องการใ้สิ่งที่เราไม่ชอบมีความมีบตดมีการแตกทำลายมีการสูญหายพอสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่ตัวต้องการแล้วเกิดความโศกขึ้นมาอาการเหล่านี้ที่จริงเป็นอาการที่ต่อกัน เพียงแต่ว่านํามาพูดกันคนละตอนตอนนี้เป็นความคิดเห็นที่ลึกกว่านั้นไปอีกหมายความว่ามีตัวมีตนแล้วก็ไปยึดถือในขันทั้งห้าเนี่ยคำว่าขันทั้งห้านั้นท่านปชาชนได้โปรดสังเกตอีกประการหนึ่งว่าเป็นการกล่าวสรุปหมดทั้งโลกแล้วหมายความว่าสิ่งทั้งหลายก็คือรูปใบนาตัญญาตังการวิญญาณ น, นั่นเอง ตัวนิพพานนั้นเป็นขันธวิมุตต์คือพ้นจากขันธ์หมายความว่าตัวนิพพานก็คือตัววิสังขารสังขารนั้นก็มีบาปมีบุญมีที่เป็นระดับของชาน ต, ต่างๆก็เรียกว่าสังขารแต่ในความเป็นพระอาหารนั้นไม่มีสิ่งเหล่านั้นคือไม่มีตัวบาปที่จริงก็มีตัวกุศลอยู่นั่นแหละท่านจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขันธวิมุตต์คือพ้นจากขันธ์การพ้นจริงๆเนี่ยคือพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ ที่จริงขันทั้งหลายของท่านก็มีอยู่จนกว่าจะนิพพานไปเพียงแต่ว่ามีอยู่โดยไม่มีการยึดการถือจะถามว่าทาไมเป็นฉะนั้นเพราะท่านมารู้ถึงความจริงของขันว่าไม่เป็นทั้งตัวท่านไม่เป็นทั้งของท่านไม่เป็นทั้งตัวท่านไม่เป็นทั้งตัวตนของท่านคือว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรจริงๆลักษณะความรู้เหล่านี้เป็นที่น่าสังเกตว่าท่านที่ศึกษาในแง่ของวิทยาศาสตร์กันมา เพราะว่าในแง่ของวิทยาศาสตร์นั้นถือว่าเป็นเรื่องของมายาเป็นการเคลื่อนไหวของพวกอะตอมทั้งหลายแต่นั้นเองแต่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีอยู่อย่างแท้จริงซึ่งหมายความว่าในกระแสของรูปวัตถุเองที่มีการศึกษาค้นคว้าตามแนวของวิทยาศาสตร์นั้นก็มาเจอกับหลักความจริงที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นจริงมันเป็นเพียงมายาแต่นั้นเองทั้งๆ ท, ที่เป็นมายาเนี่ย เมื่อกิเลสประเภทโมหะเขามีมากเขาก็ไม่ยอมรับในแง่ของมายาแต่ก็เขาไปคิดว่าในแง่ของความเป็นจริงจริงเพราะนั่นพอไอตัวสักกายทิฐิที่ลึกลงไปอีกทีหนึ่งเนี่ยคือไปคิดว่าเรานั้นเป็นรูปรูปนั้นเป็นเราหรือว่าเรามีอยู่ในรูปหรือว่ารูปมีอยู่ในเราคือมองเฉพาะรูปก็มองในแนวนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะมองแนวเดียวกันเพราะงั้นเมื่อพกเวลาท่านย่อย ที่จริงก็ค่อนข้างเป็นรายละเอียดแล้วก็ย่าต่อการแยกว่าตรงไหนเราเป็นรูปตรงไหนรูปเป็นเราตรงไนเรามีในรูปตรงไหนรูปมีในเราให้ลองสังเกตว่าเราไปยึดติดว่ารูปนั้นเป็นเราหรือว่าเราเป็นรูปก็ได้ให้มองเฉพาะจุดนี้ก็ได้เวลาความทุกข์ความเสียแทงต่างๆที่เกิดขึ้นในรูปอื่นซึ่งเราไม่รู้สึกว่าเป็นรูปเราความเดือดร้อนเราก็ไม่มี แต่ถ้ารูปนั้นเกิดเกี่ยวข้องกับเราเช่นสมมติลูกหลานป่วยญาติพี่น้องป่วยพ่อแม่ป่วยความทุกข์เกิดแก่ท่านเหล่านั้นเนื่องจากไปเกี่ยวข้องกับเราหมายความว่าเป็นญาติพี่น้องของเราก็คือรูปของเรานั่นเองเพียงแต่ว่าไม่เป็นเราโดยตรงกือเกี่ยวข้องกับเราเราก็เป็นทุกข์เป็นเดือดร้อนบางทีก็พอยเจ็บปวดตามไปด้วยท่านครางเราก็คลางด้วยอะไรต่อไรนีน่นี่ก็คือลักษณะของจิตที่มันไปเกี่ยวเกาะแต่พอ ร, รูปเหล่านั้นเกิดทุกข์แต่เราไม่ ใจเราไม่ไปเกี่ยวเกาะจะาคนคนหนึ่งซึ่งเรารู้สึกเฉยๆแล้วก็ประสบความทุกข์ใจเราก็ไม่เดือดร้อนตามและร้ายขึ้นไปยิ่งกว่านั้นถ้าหากว่ารูปเหล่านั้นคือบุคคลเหล่านั้นที่ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนประสบความพิบัติเป็นตตุเราปรากฏว่าแทนที่จะเป็นที่เกิดของความโศกกลับเป็นที่เกิดของความยินดีไป ่ะถามว่าทําไมจึงเป็นฉะนั้นก็เกิดขึ้นจากใจเราที่มีความรู้สึกว่าเป็นเราหรือไม่นะเป็นของเราหรือไม่แต่ก็ไม่เป็นเราไม่เป็นของเราหรือเราไม่อยู่ในสิ่งนั้นเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านั้นเพราะในรายละเอียดพระพุทธเจ้าจึงทรงจําแนกแสดงเอาไว้ว่าความคิดเนี่ยมันมีอยู่สอย่างนี่เราเป็นรูปรูปเป็นเราเรามีในรูปรูปมีในเราก็ชุดหนึ่งก็เป็น4 วเวทนาก็คิดอย่างเดียวกันสัญญาคิดอย่างเดียวกันสังขารคิดอย่างเดียวกันวิญญัตคิดอย่างเดียวกันรวมแล้ว54ก็20เป็นสักกายะทิฐิ20ประการด้วยกันเป็นความยุติดที่ยากต่อการจะลดละให้จางไปคลายไปวิธีการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้จึงมีลักษณะค่อยๆขัดเกลาไป เพราะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่จะไปถ่ายถอนออกมาให้พลุดพราดแล้วก็หมดไปสิน้นหมดสิ้นไปเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะแนวทั้งหลายให้ลองสังเกตว่าในคำสอนคือโลกเรามองดูโลกเถอะก่อนโลก ท, ทั่วไปเนี่ยมีการเบียดเบียนประทุสร้ายกันไม่มีหยุดหรอกตราบใดที่ยังเป็นโลกอยู่การเบียดเบียนจะไม่หยุด เพียงแต่ว่าเบียดเบียนกันมากหรือเบียดเบียนกันน้อยหรือไม่แต่นั่นเองแต่ในจุดใดที่เบียดเบียนกันมากโลกในปัจจุบันนั้นแม้จะเท่าเดิมแต่แท้จริงว่าแคบลงเพราะว่าการสื่อสารการคมนาคมไปมาหาติดต่อกันได้เร็วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมุมหนึ่งของโลกในสองสานาทีเราก็รู้ได้แล้วเราเห็นว่าเวียองนี้มันกระเทือนถึงกันแรงการเบียดเบียนการประทุสร้ายกันนั้นกระทบกระเทือนกันอย่างแรงจนที่ คนก็ตื่นเต้นกันในแนวตลาดหุ้นตนัวตรงหนึ่งตัวหนึ่งก็ซุดอะไรตัวหนึ่งขึ้นตหนึ่งลงอะไรเนี่ยนั่นคือแสดงให้เห็นถึงถึงความเกี่ยวข้องกันในแง่ของของโลกเพราะฉะนันพอออกมาในรูปของการเบียดเบียนมันก็กระทบกระเทือนถึงกันคําสอนในชั้นศีลเป็นอย่างการเป็นคําสอนยังยอมสักกายะคือยอมว่ามีตัวเป็น ต, ตนอยู่ ไม่ใช่ไปถึงการถ่ายถอนความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาคือไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าคนคงคิดขนาดนั้นยังไม่ได้ก็เอาว่าทำยังไงละ่ะมีเรามีเขานี่แหละมีเราด้วยแล้วก็มีเขาด้วยมีของเขาด้วยมีของเราด้วยให้อยู่กันโดยปกติสุขเป็นระดับศีลธรรมจัร ญ, ญาเรามีเราแล้วก็มีของเราเขาก็มีเขาแล้วก็มีของเขา ทำยังไงจุดกลางทางความคิดที่เราจะประสานกันให้อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขขจัดสกกายะตอนนี้ให้ลดลงไปหน่อยคือว่าเราเคารพตัวเราและเราเคารพตัวเขาเคารพสิทธิของเราแล้วก็รบสิทธิของเขาคือหมายความมาไม่ร่วงเกินกันไม่ร่วงเกินกันที่เกี่ยวกับชีวิตซึ่งแต่ละคนรู้สึกว่าเป็นเราเขาก็เป็นเรานะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นเราเหมือนกัน เราก็ยอมรับว่าเราก็เป็นเราเขาก็เป็นเขาเรากับเขานั้นไม่ล่วงเกินกันในส่วนของชีวิตจริงก็ศักยญาติทิฏก็ยังมีเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่ามันคุมได้แล้วชิดทางในการระพฤตปฏิบัติเราคุมได้แล้วโพธุงจุดหนึ่งก็ของเราไอ้คนอื่นคนอื่นก็คิดว่าของเขาเือนกันทำอย่างไรว่าเขาจะไม่ล่วงละเมิดของเราและเราจะไม่ล่วงละเมิดของเขา สักยะทิฏฐิยังมีเรียบร้อยความเป็นเราเป็นเขายัางมีเรียบร้อยเพียงแต่ว่าแต่ละฝ่ายนั้นไม่ล่วงล้ำก่ำเกินกันคล้ายๆกับขับรถไปบนถนนต่างคนทางใครก็ทางของคนนั้นก็ไปด้วยกันได้ไม่เกิดอุบัติเหตุไม่ชนกันนั้นเป็นข้อ ร, ระดับศีลธรรมจัญญาที่ท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่าพระเจ้าต้องการจะขจัดตรงนี้แหละ ขจัดความเป็นเรากับความเป็นเขาที่รุนแรงจนมีการเบียดเบียนท่ำผันประทุสร้ายกันกลายเป็นศึกสงครามก็มาอยู่ตรงนี้ให้เคารพ ก, กันก่อนเป็นเคารพสิทธิที่เกี่ยวกับชีวิตสิทธิที่เกี่ยวกับร่างกายสิทธิที่เกี่ยวกับคู่ครองทั้งของเราและของเขาคือเขาเองเขาก็รู้สึกของเราเหมือนกัน แลวนี้ก็คือแนวที่เรียกว่าอัตต า, างอุปมังกัตวาคือทำตนเป็นอุปมาใช้ปัญญาระดับหนึ่งระดับคิดเอาใจเขามาใส่ใจเราได้แต่ก็มีการสำรวมระวังไม่ล่วงละเมิดต่อกันพอมาถึงชั้นธรรมะเราจะเห็นได้ชัดว่าพยายามจะลดไอตัวสักกายาเนี่ยคือความเป็นเราเนี่ยมันลดลงไป มากยิ่งขึ้นจนถึงกับอบอุ้มช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ว่าเราเองนั้นจะได้ก่อนเขาคำสอนที่ตรงกันข้ามกับศีลข้อที่หนึ่งเช่นเมตตาเนี่ยก็ไม่ใช่ตรงกันข้ามคือหมายความว่าศีลข้อที่หนึ่งนั่นเองพัฒนาขึ้นไปเรื่อยมันลดความเป็นเราลงไปแต่เพิ่มพวกเราขึ้นไป คือลดความเป็นเราเป็นเขาลงไปก็เพิ่มพวกเราขึ้นไปโดยดับในจุดนี้ไม่ใช่ไม่ล่วงละเมิดแล้วมันเลยการล่วงละเมิดไปแล้วก็สามารถที่จะเกื้อกูลกันได้คือของของเราเนี่ยของของเราที่ยึดถือเป็นของเรานั้นของเราของเราเนี่ยเราไปให้คนอื่นก็ได้เราไปสงเคราะห์คนอื่นเขาได้ในรูปของทานในรูปของการสงเคราะห์ในรูปของการเอื้อเพื่อเผื่อแผ่มันถอนความเป็นของเราลงไปในการถอนความเป็นของเราลงไปมันก็ถอนอะไรคือถอนตันหาในสิ่งเหล่านั้นออกไปด้วย มีการสละมีการเอื้อเฟือ้อมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์มีการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ซึ่งกันและกันต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบจืบต่อไป